โรคทางใจมีอยู่ทั่วทุกตัวคนหนักเบาต่างกันที่อำนาจของกรรมที่ตนกระทำคนน่าสงสารในโลกนี้มีมากนักทั้งน่าสงสารทางกายและน่าสงสารทางใจเราเองแทบทุกคนก็เป็นโรคน่าสงสารเช่นที่กล่าวแต่เมื่อไม่ใช่โรคทางกายก็ไม่เห็นกันไม่รู้กันว่า ตนเป็นคนหนึ่งจำนวนมหาศาลที่น่าสงสารและน่าสงสารยิ่งกว่าเป็นโรคทางกายน่ากลัวน่าเป็นห่วงยิ่งกว่าเป็นโรคทางกายโรคน่าสงสารทางใจตัวเองต้องรู้ด้วยตัวของตัวเองต้องยอมรับด้วยตัวของตัวเองถึงจะแก้ไขได้ไม่เช่นนั้นแล้ว ก็ไม่มีทางจะรักษาโรคทางใจได้เลยแม้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นโอสถรักษาโรคทางใจของผู้ที่ไม่ยอมรับรู้ว่าใจของตนมีโรคนั่นก็คือผู้ไม่ยอมรับการรักษาไม่ยอมรับโอสถของพระพุทธเจ้าเขาย่อมเป็นคนน่าสงสารตลอดไปพบคนเช่นนี้พึงย้อนดูตนเอง คงจะต้องพบโรคทางใจด้วยกันเพียงแต่ว่าจะมากน้อยหนักเบากว่ากันเพียงไรตามอำนาจของกรรมที่ได้กระทำมาแล้วเท่านั้นกรรม ให้ผลตรงตามเหตุแห่งการกระทำกรรมนั้นน่าเชื่อถือนักในการให้ผลตรงตามเหตุไม่มีอคติด้วยอำนาจใดเลยแม้เกิดอยู่ในฐานะที่สุขสบายก็มิใช่ว่าไม่จำเป็นต้องนึกถึงกรรมมิใช่ว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อกรรมสุขสบายเพียงไร ก็จำเป็นต้องนึกถึงกรรมถ้าไม่ได้ทํากรรมดีอันควรแก่เหตุแล้วจะอยู่ในฐานะสุขสบายได้อย่างไรใครอื่นอีกมากมายหาได้อยู่ในฐานะเช่นนั้นอดอยากยากไร้เข็นใจกันนักหนาะทำไมเป็นได้เช่นนั้นมีอะไรเป็นเครื่องทําให้เป็นไปแม้ไม่ตั้งข้อคิดในเรื่องเช่นนี้เสเลย ย่อมไม่อาจอบรมปัญญาให้เห็นถูกในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมได้ทั้งๆ ท, ที่เป็นเรื่องสำคัญแก่ทุกชีวิตที่ปรารถนาความสวัสดีทั้งคนและสัตว์ต่างถูกอำนาจกรรมทำให้เป็นไป คนก็ตามสัตว์ก็ตามเกิดด้วยอํานาจของกรรมกรรมนำให้เป็นคนและกรรมนำให้เป็นสัตว์เชื่อไว้ก่อนย่อมมีโอกาสที่จะพ้นจากความเป็นสัตว์เพราะเมื่อเชื่อว่ากรรมมีอานาจถึงเพียงนั้นก็ย่อมขวนขวายทำกรรมที่จะไม่นำให้ต้องไปเป็นสัตว์ไม่มีใครที่ไม่กลัวความเป็นสัตว์และมีโอกาส ที่จะได้เกิดเป็นสัตว์แน่ในภพภูมิข้างหน้าแม้บังเอิญไปทำกรรมที่จะทำให้เกิดผลเช่นนั้นโดยจะรู้หรือไม่รู้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามพลาดพลังไปทำกรรมผิดเข้าก็จะไม่อาจปฏิเสธผลของกรรมได้เลย ไม่มีผู้ใดปรารถนารับผลของกรรมที่ไม่ดีอันผู้ไม่ทำดีประการต่างๆด้วยกายวาจาอันเนื่องมาจากใจที่ไม่ดีของเขานั้นที่จริงแล้วผู้มีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาพอสมควรประกอบด้วยความเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม ไม่น่าจะมีผู้ใดปรารถนาเป็นคนไม่ดีแต่ทำไมจึงมีคนไม่ดีมากมายทั้งๆที่ไม่ได้ปรารถนาคิดให้เข้าใจในเรื่องของกรรมจะรู้ชัดว่ากรรมที่คนผู้นั้นทำไว้ในอดีตได้ติดตามห้อมล้อมจิตเขามาให้ปรากฏเป็นผลในปัจจุบันทั้งที่ในปัจจุบันเขาก็มิได้ต้องการให้เป็นเช่นนั้น และหากเขาเข้าใจเรื่องของกรรมบ้างแล้วเขาจะกลัวไปถึงชาติในอนาคตเขาจะพยายามไม่ทำกรรมไม่ดีเพราะเข็ดกลัวผลของกรรมที่ทำให้เขาต้องเป็นคนไม่ดีอยู่ในปัจจุบันทั้งที่เขาไม่ปรารถนาเลยความรักผู้อื่น ทำให้หลีกเลี่ยงการทำกรรมไม่ดีได้เป็นผู้ใหญ่ก็อย่าทำกรรมไม่ดีเป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มสาวก็อย่าทำกรรมไม่ดีแม้รักตัวเองก็อย่าทำกรรมไม่ดีจงทำแต่กรรมดีหรือแม้รักพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็อย่าทำกรรมไม่ดีผลไม่ดีที่พูดทำได้รับนั้น จะทำให้บรรดาผู้ที่รักตนพลอยกระทบกระเทือนไปด้วยลองนึกถึงใจตนเองเมื่อเห็นผู้ที่ตนรักทำความไม่ดีแม้ผลไม่ดียังไม่ทันปรากฏชัดตนก็ไม่สบายใจยิ่งเมื่อได้ผลร้ายเกิดขึ้นสนองผู้ทำกรรมเราผู้มีความผูกพันกับเขาก็ย่อมเหมือนพลอยได้รับผลร้ายด้วย ถ้าเราทำกรรมไม่ดีผู้ที่รักเราก็ได้รับผลไม่ดีไปด้วยดังนั้นแม้ไม่รักตนเองก่อนจะทำอะไรก็ควรนึกถึงใครทั้งหลายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องมีผู้เป็นที่รักอยู่ด้วยถ้าเราทำกรรมไม่ดีได้รับผลไม่ดีผู้ที่รักเรา และผู้ที่เรารักก็จะต้องปลอยได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจไปด้วยอย่างไม่ยุติธรรมเพราะมิได้เป็นผู้ทํากรรมไม่ดีด้วยแต่ต้องพลอยได้รับผลไม่ดีเพราะความผูกพันดังนั้นจะทําความไม่ดีใดก็น่าจะนึกถึงบรรดาผู้ที่มีความผูกพันกับเราบ้าง อาจจะช่วยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการหลีกเลี่ยงการทำกรรมไม่ดีใช้สติยั้งคิดให้เคยชินก่อนทำกรรมไม่ดีใดๆก่อนจะทำกรรมใดแม้หยุดยั้งตั้งสติคิดให้ดีว่ากรรมนั้นดีหรือไม่ดี ก็จะทำให้ไม่ทำกรรมไม่ดีอย่างเต็มใจอย่างสบายใจแต่จะมีเวลายับยั้งชั่งใจอันเป็นความสำคัญควรจะทำให้เป็นความเคยชินด้วยกันทุกคนมันพิจารณาให้กลัวกรรมไม่ดีอยู่เนืองเนืองการพิจารณากรรมให้กลัวกรรมไม่ดีนั้น อาจทำได้แม้เมื่อเป็นสิงสาราสัตว์จะเห็นตัวจริงหรือเพียงเห็นรูปภาพก็ตามสัตว์เหล่านั้นล้วนมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดแต่ก็เหตุใดเล่าที่ทำให้ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ไม่ได้เกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นมนุษย์ที่สูงกว่าประเสริฐกว่าเป็นอันมาก ต้องกรรมที่สัตว์เหล่านั้นได้ประกอบกระทา ม, มาในอดีตชาติปรุงแต่งให้เป็นไปให้มีรูปลักษณ์ของสัตว์ที่แม้บางชนิดจะน่ารักน่าเอ็นดูแต่ก็เป็นสัตว์แม้จะได้รับความรักความเอ็นดูอุปถรัรมบำรุงเลี้ยงดูอย่างดีก็เป็นแบบที่ให้แก่สัตว์และก็ไม่แน่ใจว่าสัตว์จะมีความคิดอย่างไร จะเศร้าเสียใจในความต้องการเป็นสัตว์หรือไม่โดยเฉพาะเมื่อพ้นจากพบภูมนุษย์ทันทีก็ได้พบภูมิของสัตว์อาจจะยังไม่ลืมชีวิตในพบภูมนุษย์อาจจะยังจาผู้คนที่เกี่ยวข้องด้วยได้จิตของสัตว์นั้นจะน่าสงสารสักเพียงไหนแต่เมื่อเกิดแล้วก็เลือกไม่ได้แล้วที่จะเกิดเป็นอะไรอื่น ถึงอย่างไรก็ตามทุกคนมีโอกาสที่จะเลือกชีวิตข้างหน้าพบภูมิข้างหน้าได้ถ้าทำความดีให้เต็มความสามารถอย่าละโอกาสที่จะทำความดีเลยนั่นแหละจะเป็นการเลือกพบชาติข้างหน้าสำหรับตนได้จะเลือกเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นอะไรก็ได้